อุเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาเรื่องภิกษุอริฏฐะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิฏฐิบาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแกภิกษุชื่ออริฏฐะ ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคกลัดว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไหมภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่ออริฏฐะผู้มีบรรพบรุทธเป็นพรานฆ่านกแรงว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคปรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไหมครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอริฏฐะ ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุอริธฐผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งดังนี้ว่าท่านอริธาได้ทราบว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่า ทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่จริงหรือภิกษุอริธาผู้มีบรรพบุรุษเป็นพ ร, รานฆ่านกแรงกล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่า ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไหมภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่าท่านอริธถท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้น ท่านรพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมะเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากในการนี้มีโทษอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแคนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสวา่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อละพระผู้มีพระภาคตรัสวา่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงยา้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุม่านเพลิงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหันเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแขนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งภิกษุอริธา ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงถูกภิกษุเหล่านั้นตักเตือนแต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิบาปนั้นอยู่อย่างนั้นว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่า ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันต ร, รายก็หาสามารถก่ออันต ร, รายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกสุเหล่านั้นไม่อาจจะปลดเปลื้องภิษุอริฏฐะผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งจากทิฏฐิบากนั้นได้ครั้นแล้วพิษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว จึงกราบทูนเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ